ช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศของงานบุญต่างๆเพอะเพิ่งออกรรษาวันนี้วัดป่าสุกโตก็จะมีงานบุญกระถินสามัคคีอธมาก็พูดเรื่องบุญดีกว่าวันนี้จะคุยเรื่องสเปรย์ละเกี่ยวกับบุญต่างๆเมื่อสมัยพุทธกาลเนี่ยมีชายคนหนึ่งทํางานที่ลงทานชายคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจทําบุญมากเลยเวลาทําบุญก็มีความศรัทธาทําด้วยใจจริงทําด้วยความเคารพแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่ง ที่ชายคนนี้ไม่สบายใจก็คือตัวเจ้าของลงทานคือพระเจ้าปรรยาสิก่อนที่พระเจ้าปรรยาสิเนี่ยจะหันมานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีศาสนามาก่อนคือเป็นพวกมิจฉาทิจิตตอนหลังเนี่ยพระกุ ม, มารกัสสะก็ไปพูดจนเป็นสมาธิธิิเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปนลกสวรรค์เมื่อก่อนแกไม่เชื่อการทดสอบอยู่เสมอแล้วก็มาแพ้เหตุผลกับ พระกุมารกสปะหลังจากนับถือพุทธาสนาแล้วก็เริ่มม า, มาทำบุญทำทานแต่พระองค์เนี่ยก็ทำแบบขอไปทีนะคือให้อาหารที่ไม่ดีแก่พวกพระแล้วขอทานเวลาให้ของใช้ไม่ใช้เสื้อผ้าก็ให้เก่าๆขาดๆอาหารก็อาหารชั้นเลวที่พระองค์เนี่ยไม่คิดแม้แต่จะทานหรือแตะต้องด้วยซ้ำ เรื่องนี้ทำให้ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอุตลามานพเนี่ยไม่สบายใจแ่ก็หาวิธีตักเตือนพระราชาทางอ้อมโดยการอิทฐานจิตดังๆปกติเราฐานจิตเลาจะค่อยๆในใจแต่เขาแบบใช้พูดดังๆเลยบอกว่าเกิดชั้นหน้าชั้นใดขอให้อย่าให้เจอเพระเจ้าบอาสิเลยทุกครั้งขอให้เจอเฉพาะชาตินี้เท่านั้นพอหลายครั้งเข้า พระราชาก็รู้แล้วก็เรียกมาถามว่าทําไมถึงต้งเกียดพระองค์ขนาดนี้พระองค์ทําอะไรผิดเหรออุทลามานพก็บอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้รังเกียรจพระองค์หรอกแต่ไม่ชอบการการะทํำของพระองค์พระเจ้าญาปรรยสิก็ถามว่าเราทำทานอะไรที่ไม่ถูกใจท่านเหรอมุทลามานพก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเวลาให้ทานเนี่ยให้อาชเชิเร็วไม่ปานีด แล้วก็ให้โดยความไม่เคารพให้แบบขอไม่ทีข่าพระ อ, องค์เลยรังเกียจไม่อยากเจอพระ อ, องค์อีกเจ้ า, าปราชสิตไ ด, ได้ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดจริงคือพระ อ, องค์ก็ใจกว้างนะลูกน้องตักเตือนได้ตามปกติจะต้องลงโทษนะเนี่ยถือว่าร่วมเกินก็เลยตั้งให้อุตมารลบเนี่ยเป็นหัวหน้าลงทานทําให้พระ อ, องค์ด้วยปกติคนอื่นทำไงคือทําแบบปานิชยหน่อยดีขึ้นมาและอุตมารลบเนี่ยก็ทําดี ชาดีกว่าส่วนของพระเจ้าปยาสีอีกหลังจากที่ทั้งคู่ตายไปเนี่ยพระเจ้าปยาสีเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นจาตุมส่วนอุตรามานพเนี่ยดันไปเกิดสูงกว่าไปเกิดเป็นเทพอยู่ชั้นดาวดึงมีบริวารมีทักษิณบัติมากมายกลายเป็นว่าเจ้าของโรงทานเนี่ยได้ผลประโยชน์น้อยกว่าอันนี้ก็เป็นอนิสง์ของการทําบุญที่ทําแบบ ขอไปทีทําด้วยความไม่เคารพนั้นการทําบุญให้ได้นิสงมากเนี่ยจะต้องทําแบบเคารพด้วยนะทําแบบด้วยความเคารพเลยจะได้นิสงมากแค่นั้นก็ไม่พอนะก็ต้องทําคือของที่ทําเนี่ยจะต้องบริสุทธิ์ด้วยถ้าของที่ทําเนี่ยได้บาจากน้ักพักนักแลนที่ถูกต้องเนี่ยและบริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีนิสงมากประมาณร้อยกว่าปีก่อนมียายอยคนหนึง่งแกเป็นเจ้าของซ่องชื่อว่าใหญ่แฟง ก็ถือเป็นซ่องที่ดังนะพ่อมีระดับเลยสมัยนั้นน่ะทําให้แกเนี่ยตอนหลังมีฐานะร่ํารวยเป็นเศรษฐีแต่พอแก่แล้วยายแฟงก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีบาปหรือสานึกผิดอะไรเงี้ยอยากทาความดีไถ่โทษอะ่ะก็การค้าประเวณีเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นมิจฉาชีวะอย่างหนึ่งแกก็เลยสร้างวัดสร้างวัดขึ้นมาเลยแล้วตั้งชื่อว่าวัดใหม่ยายแฟงและอยากสร้างเสร็จเนี่ยแกก็โอ้โหดีใจมากเลยที่ทําได้เหมือนเศรษฐีทั่วไป วัด น, นี้ก็มีชื่อเสียงนะอยู่แถวพระพาชัยเนี่ยอัดบาก็เดินผ่านบ่อยแถวนั้นหลังจากสร้างเสร็จแล้วก็นิมมณีมลหลวงพ่อโตมามาเทศน่าจะเป็นสมัยรสีย่างไม่ได้คลองราดนะเพราะตอนนั้นหลวงพ่อโตเป็นมหาโตอยู่หลวงพ่อโตมาพูดเนี่ยหลวงพ่อโตก็บอกว่าเนี่ยยายแฟงมินิสง์บุญกระท่อนกระแท่นคือบุญมันบกพร่องคือได้มินิสงไม่เต็มบาทคือถ้าบาทหนึ่งเนี่ยยยแฟงก็ได้ประมาณสักเฟืองหนึ่งเท่านั้นเอง หนึ่งเฟื้องก็เท่ากั <ผม S 2> บค่าต to, ัวสมินีสมัยนั้นน่ะ่ยแฟนได้ฟังนั้นโอ้โหโกรธมากเลยเพราะว่าหลวงพ่อโตหรือมหาโตเดี๋ยพูดตรงทำลายน้ําใจแกมากเลยแกเวลาถวายกันเทศให้หลวงพ่อโตก็แท็กแล้วก the ็โกรธหลวงพ่อโตแล้วตอนหลังก็ไปนิมนต์ในหลวงรอสีนี่แหละตอนนั้นยังบวชยังไม่ได้ศึกคือทุณกระหม่อมพระให้มาแสดงธรรมอีกรอบหนึงปรากฏว่าทุณกระหม่อมพระเนี่ยพูดหนักกับหลวงพ่อโต ว่ายายแฟงเนี่ยถ้าทำบุญด้วยอารมณ์ขุนมัวกระดาที่สงน้อยคืออาตมาก็ตีค่าเงินสบัยนั้นไม่ถูกนะเพราะาเฟื้องสลึงเลือดต่างๆเนี่ยมันตียากอะ่ะเพราะว่าเอาเป็นว่าคุณก็มอมพูดหนักกว่หลวงพ่อโตอ่ะคือยายแฟงแทนที่จะได้กู้หน้ากลับโดนซ้ำเติมหนักกว่าเดิมแต่ตอนหลังคิดได้แต่ก็เลยเลิกโกรธหลงวงพ่อโตอันนี้คือบุญจากน้าพักอําแหกคนอื่น ไม่ค่อยบริสุทธิ์อาตมาเวลาให้อาหารหรือทำบุญน่ะเราก็ต้องระวังเหมือนกันนะอย่างอาตมาเนี่ยตัวเวลาให้ให้เข้าวเดี่ยวก็กระหมาเนี่ยวันนี้เอาทีละป้อนให้ให้กับปากเลยนะเราจะไม่จังเป็นเราจะไม่โยนทิ้งข้างทางหรือก็เร่งเวลาหรือลงไปที่ฝุ่นที่เขากินยากอ่ะคนเราคํานึงถึงเขาด้วยอกเขาอกเราหรือไม่เวลาเราให้อาหารสัตว์เนี่ยเราก็ต้องให้ใส่กละมังอย่างให้อาหารหมาเนี่ยเราควรจะให้ใส่กละมังหรือภาชนะที่สะอาดล้างให้เขาหน่อยถ้าเกิดเราให้ ให้อาหารเขาอย่างขอไปทีหรือดูถูกหยาดยามเนี่ยไอ้สงก็ไม่มากแต่เราทําด้วยใจจริงอะ่ะเห็นโห ก, กเขาโขกเราเนี่ยเลี้ยงเขาก็เลี้ยงดีดีดอยแต่บางทีก็สุดวิสัยเพราะหมาบางตัวก็กไม่ฉลาดเวลาโยนข้าวอะไมันก็งับไม่ได้แต่บางตัวที่ฉลาดนะ ง, งับได้อันนี้เราก็จะโยนให้แต่บางตัวถ้าที่คุ้นกับเราในวัดเนี่ยถ้าเรามาให้เรามาให้ที่ปากเลยนะป้อนใส่ปากเวลาให้พวกอาหารกับพวกเจ้าหวานเจ้า ไข่ดำไข่น่าหรือหลายตัวที่เอามาคั่วคุ้นน่ยเอามาให้ที่ปากเลยนะคขาใหป้อนให้เขากินอย่างปานี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทําทานทําบุญแล้วก็มาเรื่องของการช่วยเหลือคนไข้บ้างหรือจิตอาสาอันนี้เราทําบุญด้วยการแรงกายแรงใจถ้าเกิดเราทําด้วยความตั้งใจจริงนะก็มีศนยสูงมากอย่างเมื่อประมาณ80สิกว่าปีก่อนเนี่ยท่าประมาณาธิบถึงเรื่องหนึ่งดอยสุเทพเพราะทุกครั้งที่ไปเชียงใหม่เนี่ย มักจะขึ้นดอนสุเทพเสมอสมัยก่อนเนี่ยใครจะไปนวัสกายพระธาตุดอนสุเทพเนี่ยจะไปยากมากเลยนะจะต้องไปทางที่แบบขึ้นเขาที่สูงชัน น, นน่ะเทนาหลังเล็กๆไกลถึงก็โหใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยบางทีคนแก่ก็ขึ้นไม่ไหวถึงขึ้นได้ก็ลำบากมากอย่างตัวของผู้พูดเนี่ยก็เคยไปมาหลายรอบแล้วใช้เดินนะมัน ไ, ไม่ได้นั่งรถหรอกเดินจากวัดอุโมงคเนี่ยเดินไปขึ้นดอนสุเทพเนี่ย เราถึงรู้รสชาติเลยว่าการเดินขึ้นเป็นยังไงแต่เขาก็ทําทางให้ดีกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนทางจะไม่จะไม่เดินง่ายเหมือนสมัยนี้ไงเมื่อก่อนจะชันแต่มันตัดตรงครูบาศรีวิชัยท่านก็นเลยเป็นประธานสร้างถนนขึ้นดอนสุเทพเพื่อจะได้ทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมากราบมาพักการประธานง่ายๆหน่อยจึงทําจากข้างล่างเนี่ยประมาณ11กิโลครึ่ง พอข่าวที่ลวกไปนะพวกประชาชนทางภาคเหนือเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยกันสร้างถนนโดยเอาจอบเอาเสียมมาแล้วพอค้าแม่ค้าที่มีฐานะก็บริจาคอาหารนี่แหละช่วยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยนะเพราะวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาช่วยทำเนี่ยยังตำมาวันห้าพันคนเลยนะบนถนนใช้เวลาสร้างเนี่ยห้าเดือนกับย2ิบสองวัน คือสร้างเริ่มสร้างเมื่อวันที่เก้าพฤศจิกายนสองสี่เ็ดเจ็ดสร้างเสร็จเมื่อวันที่สามสิบเมษายนสองสี่เจ็ดแปดทเร็วมากทําด้วยแรงศรัทธาของประชาชนโดยไม่ต้องใช้งบของรัฐบาลเลยอันนี้คือแรงศรัทธาและทาด้วยใจจริงทุกคนที่มาทาสรุกสนานนะต่างทําแบบไม่มีอู้ไม่มีพักจะมีพักต่อรับประทานอาหารนั่นแหละอันนี้มาด้วยใจ ก็ทำให้งานรุ่งรืองเสร็จเร็วแต่ทางรถที่ขึ้ดอนสุเทพเนี่ยก็ถือว่าอ้อมนะอ้อมกว่าทางที่ขึ้นเขามากอย่างอรามาเนี่ยเรารู้แล้วสองทางเรานั่งทั้งรถด้วยทั้งเดินด้วยยิ่งเข้าใจเลยแล้วก็ศรัทธาคุณบาศิริวิชัยมากคือท่านมีบา ร, รมีไนงะคุณศรัทธาท่านก็เลยอาศัยความศรทางท่านเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับมหาชนเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ได้ชมวิดีโอคลิปอยู่วีดีโอหนึ่งเป็นคลิปข่าวเช้าข่าวเข้ม ก็มีเรื่องราวของวัดเราด้วยแหละวัดป่าสุกโตนี่แหละในคลิปผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อไปสาวิสาโลเนี่ยเจ้าวัดป่าสุกโตเนี่ยให้ลูกวัดนำข้าวของไปแจกญาติโยมที่ประสบอุทุภัยน้ำท่วมในที่ต่างๆโดยมีพระเนี่ยนั่งล้ลอลจิบเก่าเอาไปให้ถึงที่เลยเป็นภารกิจสุดโหดทางก็ทุลกันดาน รถจี๊บกรลุยไปผู้สื่อขาก็ชมนะบอกว่าพระเนี่ยห่วงใยคนที่เดือดร้อนเป็นภาพประทับใจมากเลยเพราะว่าพระเนี่ยนั่งบนรถจิ๊บรถจิ๊บคันนี้นะมองแล้วสะดุดตามากเลยนะเพราะไม่มีใครเหมือนในเชฟภูมิได้มีคันเดียวะเห็นปุ๊เตะตานะแล้วก็มีพวกมีมีพระหลายรูปที่นั่งอนะ่ะได้เกิดกับครั้งนี้หลายคนเลยสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแนละ้วกะวัดในทางที่ดี อันนี้เป็นที่ส่งของการช่วยเหลือแล้วแต่ละคนที่ทําก็ไม่เห็นแก่เหนือยก่ในกันเลยนะต้องลุยน้ําต้องถือของไปให้ทุกคนก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนมีตอนที่อาจารย์ไปสารไปที่เชภูมิอะตอนนั้นก็มีไปแจกของหรือไปให้กําลังใจตอนนั้นเชภูมิเนี่ยถือว่าเดือร้อนมากเลยทางวัดเราก็เอาของไปแจกอาหารแห้งของใส่ถุงเนี่ยคือตัวอาจารย์ก็นั่งบนเรือแล้วก็มีพวกพระ จูงเรือจูงเรือก็ถึงเอวอ่ะน้าท่วมน้ําก็ไม่ไม่สะอาดเท่าไหร่แล้วใส่แมสกด้วยก็เป็นภาพที่ประทับใจนะก็ทําให้คนที่เห็นภาพก็มีความสุขเกิดความศรัทธาคนที่ทำก็มีความสุขแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นกว่าจะกว่าจะออกไปแจกได้เนี่ยมันก็ต้องเอาของที่โยมมาถวายเนี่ยเอามารวมกันเพื่อเป็นถุงถุงจะได้ไปแจกง่ายๆเนี่ยภาพวัาเราก็สามัคคีช่วยเหลือกัน ทุกคนก็ไม่เห็นกันเหนืน่อยนะก็ทำจริงงานรู้ล่วงด้วยดีเพราะขณะที่ทําเนี่ยจิตเป็นบุญกุศลไงทุกคนไม่เห็นแค่ตัวทําโดยไม่อู้ถ้าทําด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอะไรก็ราบรื่นหมดละไหลลื่นง่ายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาเคยเคยชวนพระใหม่ช่วยกันเชิดพระพุทธรูปนะอูตอนนั้นพระใหม่ช่วยกันแบบสนุกมากเลยทําเป็นวันนะพระพุทธรูปที่หอไตพระพุทธรูปที่สาราน้ําพระพุทธรูปสารานาเนี่ย ก็มีจิตอาสามาช่วยกันทำทีเป็นสิบเป็นสิบลูกเลยบ้างทั้งภาพใหม่ภาพเก่าเนี่ยทำกันแบบสนุกนะบางคนก็เหมาเลยสององค์บางคนก็เอาสามองค์พอพาพเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยสวยหรอกก็คอยขัดใช้พวกบัตรโซขัดมื่อไรมื่อไขัดจนเหลืองอลามเลยทุกคนตั้งใจทำนะจิตอาสามีอยู่ช่วงหนึ่งแม่ชีพี่วิก็มาทาทองให้ ทองที่เป็นทองเปะทองแบบว่าปิดทองอ่ะพวกพระก็มาช่วยทำเราก็เห็นหทุกคนสามคีกันเลยนะสามคีนะไม่จะเป็นสารน้ําเป็นห่อไตเนี่ยจนพระที่ปิดทองเนี่ยเหลืออลาไม่หมดเลยแต่ตอนนี้อันมาก็ไม่รู้ว่าพระนั้นอยู่ครบหรือเปล่าเพราะว่าตามเหตุการณ์เราทําเรามีความสุขขนาดนั้นนะแต่ปรเหตุการณ์เปลี่ยนเนี่ยถึงจุดหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะหายไปก็ได้เป็นหรือไปอยู่ที่อื่นหรือเสื่อมโซไปตามกาลเวลาอย่างตอนนี้ถ้าใครไปที่ อาจารย์โก้เนะี่ยจะเห็นพระอยู่รูปหนึ่งพระรูปนี้เคยยิ่งใหญ่มากเลยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็เป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งมีตะไคร้ขึ้นไม่มีใครสนใจแล้วถูกเมินคือองค์นั้นนะ่ะเมื่อก่อนมีการฉลองนะเลี้ยงนิมนพระไปเลี้ยงทั้งวัดเลยนะจัดเลี้ยงฉลองใ ห, ใหญ่โตเลยลนะ่ะแต่การเวลาผ่านไปก็กลายเป็นพระที่คือมันตั้งผิดตําแหน่งไนงะคนก็เลยไม่คยสนใจแต่คนที่ทำก็มีความสุขแล้วั น, นการทําบุญถ้าเรายึดยึดในบุญเนี่ย ก็ก่อทุกได้ยึด่ในบุญของเราเนี่ยสมมุติเราสร้างสร้างวัดสร้างวิหารหรือถวายกองถวายละครังหรืออื่นๆและตอนหลังมันไม่ใช่แล้วอะ่ะมันก็มีการเสื่อมโซ่ไปตามกาเวลาแล้วมีการสร้างใหม่เนี่ยอาจจะเราทุกได้หรือถวายจีวรให้กับครูบาอาจารย์หรือพระอ่าต้องใช้ของเรานะถวายอาหารก็ต้องกินของเรานะอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดให้ไปแล้วเราไม่ยึดเราปล่อยวางอาหารนั้นหรือของนั้นก็ไปขอหลวงพ่อหลวงพี่ที่เราถวายไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเราจบขนาดนั้นเราได้บุญแล้วแต่เราทําเรา ย, ยึดเนี่ยเราจะทุกข์ใจได้เพราะสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่เป็นของที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เก่าไปถ้าเราทําบุญเป็นเราก็มีความสุขไม่ทุกข์ทำด้วยใจที่ปล่อยวางบางครั้งเราไม่มีเงินไม่มีทุนรอน แล้วก็ไม่ได้ใช้แรงงานเนี่ยเราก็สามารถทําบุญได้นะโดยการอนุโมทนาบุญอย่างเราเห็นคนที่ทําบุญเนี่ยแต่ถ่ายบาทแล้วก็สาธุยินดีๆด้วยอันนี้เราก็ได้บุญด้วยนะเห็นใครฝาดถนนเราไม่ได้ฝาดแล้วก็สาธุอันนี้เราก็ได้บุญด้วยอย่างอาตมาเนี่ยเห็นพระไปแจกของอาตมาไม่ได้ช่วยนะเพราะอาตมาจะทำเรื่องสื่อของวัดก็เลยไม่ค่อยดี๋ยงนี้ไม่ค่อยได้ยุ่งกับเรื่องงานพวกนี้ละแต่อาตมาแอบสาธุทุกครั้งแหละอนุโมทนาบุญ ถ้าไปเดทเฟซบุ๊อัมาก็ไปกดไลค์ให้ให้กำลังใจทุกครั้งอันนี้ก็เป็นการคือมีส่วนร่วมแบบอม อ, อ้อมเราก็ได้บุญด้วยใครทำความดีแล้วฮะแล้วก็พยินดีกับเขาอย่างวันเนี้ยงานกระถินเนี่ยบางทีบางคนก็ไม่ค่อยมีตังค์จะทำบุญแต่ถ้าเรายินดีกับเจ้าภาพเนีย่ยอนุโมเราก็มีส่วนร่วมนะทุกครั้งที่ใครทําความดีเราสาธุอันนี้เป็นการทําบุญที่ง่ายแล้วไม่ต้องลงทุนมาก ได้บุญไดกุศลด้วยและทําให้จิตเราอ่อนโยนเพราะว่าจิตโดยพื้นจิตของทุกคนเนี่ยจะแข็งกระด้างการทำบุญคืการลดละความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคนทำบุญด้วยเป็นเราก็จะเน้นเรื่องสิ่งที่แลกเปลี่ยนไงคือทําเพื่อหวังผลให้ร่ําให้รวยตายไปก็ไปขึ้นสวรรค์แบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เนี่ย ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแสดงธรรมเนี่ยท่านจะแสดงธรรมให้คนบรรลุธรรมหลายคนเลยโดยแสดงอนุบุพีกถาโดยพูดเรื่องการให้ทานอธิสงของการให้ทานเสร็จแล้วก็มาพูดเรื่องศีลอนิสง์ของศีลหลังจากคนรักษาศีลเนี่ยศีกลก็รักษาเราแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์เพราะว่าคนที่ทําให้ทานและรักษาศีลเนี่ย ส่วนใหญ่จะไปสุขติไงไปเกิดบนสวรรค์เกิดบนสวรรค์นี่ก็จะมีอะไรเป็นทริปหมดอะถ้าเป็นเปรียบบุคคนสบายีก็คือคนรวยคนรวยเนี่ยจะสบายก็เหมือนสวรรค์นั่นแหละต่างคนจนที่ต้องลําบากคือสุขที่ปานิชย์แต่แล้วสวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะเพราะว่าความที่ไม่เที่ยงนี่แหละก็เลยมาชีช้โชคของกามเพราะสวรรค์ก็เสพกาลนะเป็นกามทริป แต่มนุษย์จะเสพการหยาบแต่การไ ม, ม่มรวมคุมกว้างามากเลยมันไม่ได้หมายถึงร่วมเพศอาจจะหมายถึงการกินของอร่อยของสวยงามต่างๆแล้วรวมเป็นกา ร, รมหมดอะฟังเพลงเพราะๆก็ถือเป็นกรรมามใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเท่งนั้นแหละลหลงไหลยินดีพอเขาชี้โทษเพราะชี้โทษขกามเนี่ยแล้วพระองค์ก็มาพูดถึงเนื้อธรมะคืออนิสงส์การออกจากการรมทําให้จิตสงบได้ ทำให้จิตเราเนี่ยไม่ไปเกาะเกี่ยวไงคือชี้ในสงการบวชหลังจากนั้นก็พูดเรื่องอธิษฐ์สี่คือพูดเรื่องทุกข์สมุทยมัยนิโรธมรรคสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเ ก, เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็มีทําให้พวกโยมพวกพระเนี่ยบรรลุธรรมเงินใส่พุทธกาลเนี่ยพกคถาบท น, นีห้หลายท่านเลยคืออนุบุพีคาถาเั้นการทําบุญ ถ้าเราทําให้เป็นเนี่ยเราก็ไม่หวังผลให้ถูกหวยให้ไปสวรรค์หรือรวยแต่ทำจริงจุดประสงค์ก็คือลดละความเห็นแก่ตัวทําด้วยใจที่ปล่อยวางแล้วเป้าหมายจริงคือทําเพื่อออกจากทุกข์คือนิพพานเป็นจุดหมายเลยถึงเราจะแวะข้างทางบ้างช้าบ้างแต่จริงเราไปนิพพานให้ได้ถ้าเราไปนิพพานไม่ได้เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เราต้องวนเวียนในวัาตาทงสารจึงวัาตางสารเนี่ยไม่แน่นอนเลยบางทีเรากเกิดมาลําบาก เกิดมาสบายบางพ บ, บางภูมิว่าเกิดเป็นสตัตว์นอามฉานก็มีบางพบบางภูมิว่าเกิดเป็นคนรวยหรือบางทีก็ไปทำกรรมทำเวรเบีดเบียนตัวเองบีด เ, เป็นคนอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องรับกรรมรับเวรไปมันเอาได้โน่นอะไรไม่ได้เลยเพราะแต่สงสารเนี่ยน่ากลัวมากสําหรับป่าและบัณฑิตแต่พวกคนทั่วไปชอบนะอยากเกิดอีกแต่พวกพระกู่การเกิดพวกโยมชอบเกิด ก็าการเกิดทุกขาก็เป็นทุกล้ำไปอย่างบทสวดมนต์เนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะที่อาตมาสังเกตอ่ะบทสวดมนต์ทั้งเล่มเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดก็คือตอนธรรมวันเช้ามีอยู่ท่อนหนึ่งอุปทานขัดด่างห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเกิดเราไม่ยึดถือตัวตนไม่มีอุปทานเนี่ยความทุกเกิดไม่ได้เลยเพราะเราจะยึด ต, ตัวตนนย ก, กูนะนี่ของกูนะใครมาว่ากูนะ ไาแบิดเกียดกูนะถ้าเกิดเราที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อจะให้ลดละจากความยึดบ้านถือบ้านอุปทานให้ได้เพราะอุปทานจริงๆ ก, ก็คือตัวทุกข์ขันท้าเฉยๆได้ไม่ทุกข์นะอย่างสมมติใครมาด่าเราแล้วเราก็ไม่จิตอารมณ์เนี่ยมันก็ผ่านไปใครมาชมเราเราไม่จิตลมมันก็ผ่านไปเวลาได้ของเราก็ไม่เคยดีใจมันก็ผ่านไปเวลาเสียของเราก็ไม่เคยเสียใจมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิด เราดีเดียรโลกธรรมมากๆเนี่ยเวลาได้ของดีใจมากเลยเวลาเสียของเราก็จะเสียใจหนักเหมือนกันอย่างมีพระอยู่ท่านหนึ่งเวลาแสดงธรรมท่านชอบหัวเราะดีใจพุทธมั่้คนหัวเราะกักๆขำๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อไม่นานเนี่ยท่านก็ร้องไห้ออกสื่อเพราะว่าโลกธรรมเนี่ยมันดับด้านไงคนที่ดีใจมากเวลาเสียใจก็เสียใจแรงอย่างพวกเล่นตลกเนี่ยเราดูนะพวกดาราตลกเนี่ยเวลาเขาทำเป็นหัวเราะเขาจะมีความสุข แต่ถึงวันเวลาที่ดาม่าวันที่เขาสูญเสียหรือเขาไป่สมหวังเนี่ยตลกก็จะร้องไห้เสียงดังเลยคือรับอารมณ์ตรงข้ามฮโลกธรรมเราอยู่ใต้โลกธรรมเนี่ยเราก็ต้องใช้ชีวิต เ, เป็นละคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีเสรศมีอินทาเราอยู่ไงโดยไม่ทุกอยู่กับโลกธรรมให้ได้อย่างช่วงโควิดชีว์พวกเราก็ลําบาก เราก็ราปรับตัวปรับใจเพราะป่าสุกโตก็ไม่เหมือนเดิมแล้วทั้งปีเลยปีนี้จะต่างทุกปีที่เคยผ่านมาแต่ก็มีด้านดีนะคือทําให้เราได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อไบสารมากขึ้นทั้งปีเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อไบสารก็ไม่เคยพูดธรรมามากเท่าปีนี้คือก็ทําให้คนทางบ้านเนี่ยได้ชมยู u ูปธรรมะสะดวกยิ่งขึ้นเพราะบดีอาจา ร, รย์ท่านจะเดินสายของท่านไปทั้งปีมไม่ค่อยอยู่วัดหรอกอันนี้เป็นข้อดีโควิดเหมือนกัน ทำให้เราไม่ได้ไปไหนแล้วได้ทําให้เราเนี่ยได้ทํางานบางอย่างที่ตัวเองไม่ค่อยได้ทําแล้วก็ได้ฝึกเห็นทุกข์เห็นโทษไม่เพื่อเพลินในความสบายทเที่ยวเตะเหฮาสุขสนานด้วยทําให้ฝึกฝึกตนให้เราแบบให้พบความบากบ้างให้พบปะเลือขัดใจบ้างอันนี้ก็เป็นการเรียนธรรมะอย่างหนึ่งของยุคโควิดงานกระถิ่นก็ขอ ง, งานกรถินเนี่ยถ้าถ้าเราทําเป็นเราได้ยิสงถ้าเราทําให้เป็นก็ขอไปทีหนึง่งบ้างก็ รถพับรถกระถินเนี่ยไปคนขับเมาเหล้าหรือกินเหล้าเยี้ยวๆไปชนกันคว่ําก็มีเราเห็นบ่อยๆนะหรือไม่ก็เอากระถินน่นไปเลี้ยงเหล้ากันก็มีอันนี้เป็นผิดวัตถุประสงค์ของทางพุทธศารนาฉนั้นเราก็ต้องมีปัญญาในการทําบุญด้วยคือทําบุญเพื่อออกจากทุกข์ไม่ทําบุญเพื่อไปสวรรค์หรือเพื่อความยึดมั่นถือบั่นหวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใดอนาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุข มีความเจอทำยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีนิพพานเป็นเป้าหมายรูปภูมนามเธอ